4.17 การทำงานของสมองวงเล็บเปิด23มีนาคม2551ในวงเล็บสองวงเล็บปิดมีคนชอบมาถามเรื่อยนะว่าจิตกับสมองอันเดียวกันหรือเปล่าสงสัยเยอะสงสัยได้ทุกเรื่องสมองมันเป็นเครื่องมือตัวจิตมันเหมือนเป็นเจ้าของนะมีสัตว์บางชนิดไม่มีมันสมองนะแต่มีจิต ในเทวดานะลองไปผ่าหัวดูจะไม่เจอสมองเขาก็คิดได้นะเขาก็คิดของเขาได้แต่ของมนุษย์เนี่ยเราจะคิดนึกจะทำงานอะไรต่างๆอาศัยสมองเป็นเครื่องมือสมองแต่ละส่วนก็ทำงานไม่เหมือนกันคนทั่วๆไปนะสมองส่วนหน้านเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้หรอกไม่ค่อยได้ใช้งานมันใช้สมองส่วนกลางเสเยอะพวกคิดมากนะจะใช้ข้างนี้เยอะ สังเกตดูเวลาเราคิดนะมันจะทำงานอยู่แถวนี้ยุกยิกยุกยิกยส่วนสมองส่วนที่ควบคุมระบบอัตโนมัติอะไรเนี่ยคือส่วนแกนเวลาเราทำฌานเลือดมันจะมาเลี้ยงสมองส่วนหน้ามากจะรู้สึกสว่างโลกนี้ดูสว่างจิตใจก็จะมีความสุขมีความสงบสมองส่วนกลางนี่จะเป็นสมองที่เวลามีกิเลส ต, ตัณหาทั้งหลายตัวนี้จะทำงานหนัก ฉะนั้นคนส่วนมากนะใช้สมองส่วนกลางๆเนี่ยทางานแต่ถ้าเราภาวนามากเข้ามากเข้าด้วยการรู้กายรู้ใจมากเข้ามันแปลกนะสมองที่ทำงานมันย้ายที่พอภาวนาสุดขีดแล้วนะสมองที่ทำงานกลับเป็นสมองส่วนหน้าฉะนั้นจิตมันจะสงบสะอาดสว่างจะรู้สึกอย่างนี้อยู่ทั้งวันแล้วก็มีแต่ความสุขล้นล้นเลย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 ในที่สุดภาวนาถึงจุดหนึ่งเนี่ยสมองส่วนกลางๆซึ่งอุดมไปด้วยกิเลสตัณหาไม่ทํางานเป็นเรื่องแปลกนะพระพุทธเจ้าท่านมีวิธีฝึกจนเกิดผลพลอยได้ที่จะทําให้สมองส่วนหน้านี้ทํางานวิธีฝึกของท่านคือเจริญสติไม่ต้องกินยาอะไรหรอกนะไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องฝึกใช้สมองตรงนั้นตรงนี้แต่ฝึกเจริญสติฝึกไปเรื่อยๆนะแล้วจะพบว่าโอ้อัศจรรย์จริงๆ กระตั้งส่วนที่ใช้คิดนึกปรุงแต่งยังเปลี่ยนที่เลยและเวลาที่สมองส่วนกลางทำงานคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยจะเกิดการสร้างภาพของความเป็นตัวตนขึ้นถ้าเป็นการทำงานของสมองส่วนหน้าแท้ๆเลยนะจะไม่เกิดขึ้นเป็นเรื่องแปลก